ลองสำรวจนะตัวเราในขณะนี้เนะชื่อว่าความรู้สึกที่มันโดดเด่นเห็นชัดนะในขณะนี้คือความรู้สึกหนาวมีความรู้สึกหนาวแล้วก็พยายามให้มีความรู้สึกตัวไปด้วยหลายคนนะความรู้สึกหนาวชัดแต่ว่าความรู้สึกตัวอาจจะกระพองกระแพงนะเลือนลางเพราะว่ามัน มีความทุกกายทุกใจนะมาเบียดขับเอาความรู้สึกตัวออกไปไรู้สึกหนาวกับรู้สึกตัวนี่มันอยู่ด้วยกันได้แต่พอเราปล่อยให้ความทุกข์ที่เกิดจากความหนาวนี่มันเข้ามาครอบงำก็กลายเป็นความทุกข์ใจตามมาด้วย ความทุกข์ใจนี่แหละนี่ีมันเป็นปัญหาที่มันทําให้ความรู้สึกตัวเลือนหายไปที่จริงจะพูดใ น, นพูดกลับกันว่าเป็นเพราะเมื่อความรู้สึกตัวมันหายไปความทุกข์ใจมันก็เลยโดดเด่นขึ้นมาความรู้สึกตัวมันหายไปเพราะอะไรความรู้สึกตัวมันหายไปเพราะว่ามันมีความขุนเคืองใจในี่เราปฏิคฆะ หรือว่าเพยาบาทเพยาบาทในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงขั้นว่าจะกินเลือดกินเนื้อแต่ความขุนเครื่องใจความไม่พอใจมันก็เรียวเป็นเพยาบาทได้วันนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะอ น, นี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่จริงนิวรทุกตัวเนี่ยมันลแล้วแต่เป็นปฏิปปความรู้สึกตัวนะนั่งสมาธิหรือว่าเจริญส ต, ติอยู่เสร็จแล้วก็ง่วงขึ้นมาของง่วงในความรู้สึกตัวก็ เลือนหายไปหรือบางเบาหลายคนมันจะถามว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวเป็นยังไงจะตอบได้มันก็ต้องรู้ว่าความไม่รู้สึกตัวคืออะไรแล้วความไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่ออย่างเช่นเวลามีความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะเบาบางถ้าหลับไปเลยนี่ก็หมดไปเลยความรู้สึกตัว เวลาที่เราง่วงเราจะเห็นเราจะให้เรารับรู้เลยว่านั่นแหละความไม่ไมนรู้สึกตัวนี่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วสุดท้าแต่ว่ามันง่วงมากหรือง่วงน้อยง่วงมากความไม่รู้สึกตัวก็มากไปด้วยตัวเพีย บ, บาทหรือปฏิฆาก็เหมือนกันนะพอมันเกิดขึ้นความสึกตัวก็หายไปยิ่งถ้าเป็นความโกรธโกรธมากๆนี่ก็หายไปเลย ถึงตอนนั้นก็ลืมตัวทำอะไรก็ได้ด่าเขาทำลายข้าของทำลายผู้คนแต่ก่อนที่จะไปทำความทุกข์ให้กับใครเนี่ยมันก็ทำความทุกข์ให้กับตัวเองพอไม่รู้สึกตัวขึ้นมาพอถูกความกลัวของงมงำาความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราแล้วไอ้ความไม่พอใจนในความหนาวที่เกิดขึ้น ที่มนมาสัมผัสตัวเราเนี่ยจนกระทั่งเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทางกายเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เบียดขับนความรู้สึกตัว ห, หายไปเหลือน้อยลงแต่พอเรากลับรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บไอความทุกขใจมันก็จะเบาบางลงมันก็มีแต่ความทุกข์กายความทุกข์กายเพราะอาการนาสัมผัสนะกับร่างนี้ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้น ความสึกตัวกับทุกขเวทนามันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่เป็นเพะเราไม่มีสตินะมันก็เลยความไอ้ทุกขเวทนาทางกายมันก็เลยขยายเป็นทุกขเวทนาทางใจนะแล้วเกิดเราเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาความสึกตัวก็หายไปให้เราศึกษาตรงนี้นะ อาการหนานานี้ก็เป็นโอกาสดีให้เราได้ศึกษาให้เห็นถึงอาการของใจนะที่มันสืบเนื่องกับความทุกข์กายทุกขเวทนามันส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างไรมันทำให้ใจบนน่นอดโวยตีโวยตีพายไม่พอใจขัดเคือง ยิงถ้าไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันตัวนี้ก็ครอบงําใจเรียกว่ามันครอบไปทั้งใจก็เรียกว่ามันคือเราหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวในที่นี้ก็ไม่ได้ไปถึงร่างกายแต่หมายถึงจิตใจหนาไปก็โบนไปหนาไปก็โบนไปแต่า ก, การโบนนี่บางทีมันก็ไม่ได้โบนแบบเออวุ่นวายเลยมากนแต่ว่ามันมีเป็นอาการเล็น้อย มันไม่ถึงขัาเป็นความโกรธแต่ที่จริงก็คือโทสะชนิดหนึ่งเพราะมันมีอาการการผลักไสไม่ชอบมีการการขัดเคืองให้เราเนะให้เรามีความสังเกตที่ไวพอที่จะเห็นอาการเหล่านี้ในจิตใจมันอาจจะเห็นไม่เด่นชัดเท่ากับเวลาเราโกรธนะโกรธเพื่อนโกรธคนนั้นคนนี้เนี่ยมันแต่จะว่าไป ถ้ามันโกรธแล้วนะมันก็ไม่เห็นแล้วนะมันเป็นแล้วส่วนใหญ่เป็นนะมันก็ไม่ได้เห็นเลยเป็นผู้กรัไปแล้วแต่ว่าความเข้มข้นของมันมันก็จะชัดเจนชัดเจนกว่าอาการของจิตเวลามันผักใสไม่ชอบความหนาวอันนี้มันมันละเอียดกว่าคนที่ไม่ใช่เป็นคนมักโกรธนะเป็นคนที่พูดจาเรียบร้อย ก็ จ, จะเผลอคิดไปว่า เ, เราไม่มีสิ่งเหล่านี้ในใจแต่ที่จริงมันมีนแต่มันไม่ได้สแสดงอาการออกมาในรูปการไปต่อว่าคนนี้ติดเดรนคนนั้นนะแต่มันสแสดงอาการออกมาเป็นการที่คุณเครื่องไม่พอใจหรือว่าปฏิเสธอาการปฏิเสธความหนาวที่เกิดขึ้นเราต้องมีความสังเกตที่ ไวพอละเอียดพอไอตัวที่สังเกตตัวนี้เนี่ยมันคืออะไร น, นคือสตินะสตินี่มันทําหน้าที่สองอย่างอันที่หนึ่งก็ระ ล, ลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วระ ล, ลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ใช่ระ ล, ลึกได้ว่าเมื่อกี้เราสวดอะไรเนี่ยอาการสามสิบสอง ถามว่าเมื่อกี้สวดอะไรเราก็ระลึกได้ขึ้นมาเอามาเม่กี้สวดอาการสามิสองแล้วก็สวดอาเคมาเคมาสรณะนั่นคืองานของสติทำหน้าที่เข้าไปสืบคน้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่มันอยู่ในความทรงจําของเราอีกส่วนนึ่งก็คือทำหน้าที่รู้ทันปัจจุบันที่เกิดขึ้น <c oughs> กับกายและใจสติทําให้เราเนี่ยสามารถจะสังเกตเห็นความไม่พอใจลึกๆนะที่มันเกิดขึ้น ขณะที่อาการหนาวมาต้องเนื้อถูกเนื้อต้องตัวนีถ้าเรามีมีสตินะสามารถที่จะรับรู้สังเกตในความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่เรียวาปฏิฆาหรือพยาบาทเนี่ยพอเห็นมันก็มันก็คลายไปไอตัวปฏิฆาตัวเพียาบาทคลายไปใจกลับมาเป็นปกติ เป็นปกติเกิดขึ้นนะเพราะตอนนั้นความสึกตัวมาแล้วความสึกตัวมาแล้วมันมีนิวรณ์สามตัวที่ทําให้ที่เป็นอริเป็นปฏิบัติความสึกตัวนะการมาฉันทะความชอบถ้ามันกลายเป็นการมาราคะแล้วมันกลายเป็นหรือว่าถ้าการมาราคะมันเข้าไปครอบงาจิตหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะ ทำในสิ่งที่เลวร้วายเช่นไปขโมยเขาไปกระทําชําเราผู้อื่นอันนี้เรามันหม ด, หมดเนื้อหมดตัวเลยลืมตัวลืมตัวอย่างสนิทเลยก็ยังพูดภาษาคนได้ยังฟังภาษาคนรู้เรื่องยังรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่สลับสไลด์แต่ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวแบบพูดนี่มันต่างจากไม่รู้สึกตัวทางการแพทย์รู้สึกทางการแพทย์คือมันไม่รู้อะไรเลย ไม่เห็นพูดไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่ได้ยินเพราะว่าสดบสลแต่ว่าความรู้สึกตัวในที่เราพูดถึงนะในในทางธรรมเนี่ยยังทำอะไรไดนะ้แต่ว่ามันทำโดยลืมตัวเช่นไปกระทาชัามเราเขาเนี่ยหรือไปขโมยตอนนั้นมันลืมตัวนะโดยเ่าะคนที่ไม่ใช่เป็นขโมยขโมยอาชีพนี่มันลืมตัวไปเลย ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องเสียใจในภายหลังอันนี้เรียกว่าพาการมมชันทะหรือการมราคะความฟุ้งซ่านอุูทัศเจ้ากักุจะเยความฟุ้งซ่านเราเกิดความเดือดร้อนใจตามมาก็เหมือนกันเราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะเราจมหายเข้าไปในความคิดมันก็ลืมตัวอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้สูญเสียความรู้สึกตัว ไปได้บ่อยๆจมอยู่ในความคิดอาจจะคิดเรื่องเหตุร้ายในอดีตที่ยังฝังใจเสียใจเศร้าใจโกรธแค้นหรือว่าคิดจมอยู่ในในงานการอยา่างผู้นัวิทยาศาสตร์ น, นักคณิตศาสตร์บางคนนี่เขาก็จมอยู่ในความคิดหัวก็คิดคิดคิดคคิ ด, คดจนลืมไปเลยว่ากำลังทําอะไร บางคนนี่เดินสะดุดหกล้มนอนอยู่บนพื้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่กำลังยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมันก็ยังคิดต่อไปคนมาช่วยพยุงก็กลับไปว่าเขาว่ามายุ่งย่ามอะไรเขามายุ่งย่ามอะไรกับฉันนะไม่รู้ว่าฉันยังไม่ว่างเขาไม่รู้ตัวกำลังนอนกองอยู่บนถนน นั่นเวลาคนมาช่วยท่างเนี่ขอบคุณเข า, เากลับไปว่าเขามามาวุ่นวายอะไรกับตัวเขา <c oughs> อนนี้เราไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าจะเดินเดินเดินเป็นทางได้เดินจากบ้านไปที่ทํางานได้ถูกต้องแต่นั้นไม่ใช่เพราะความรู้สึกตัวแต่เป็นเพราะความเคยชินเมื่อกี้ที่เราขับรถไปก็ใจก็ลอยไปขับรถไปก็คุยโทรศัพท์ไปเนี่ย ตอนนั้นนี่มันเรียกว่าอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้เพราะกาลังกําลังโหัเสียกับในระหว่างคุยโทรศัพท์หรือว่ากาลังเพลินนะกับการคุยโทรศัพท์นั้นมันจะเรียกว่ารู้สึกตัวไม่ได้แต่มันก็ขับรถไปได้นะเพราะมันเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของเรื่องของวงจรในสมองที่มันที่มันมันก่อรูปจนกระทั่งเป็น เป็นอัตโนมัติไปแล้วมันก็ทำอะไรของมันไปขับรถไปได้ตามความเคยชินเราก็ต้องมีความไวในการที่จะสังเกตเห็นว่าความคิดมันกาลังครอบงำใจอยู่เวลาเรารเผยคิดไปนี่มันก็นั่นแหละเรียวกว่าอุทกจักกุฏจะปรากฏแล้วเรามีสตินะมันสังเกตว่าเนี่ยใจเราเรากลังใจลอยแล้วนะ ใจกลังไหลายไปอดีตแล้วนะลอยไปนาคุแล้วนะเ่อมีสติรู้รู้ธานาการกล่างเนี่ยมันก็กลับมามีสติใหม่มีความรู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าขโมยแอบเข้ามาในบ้านมันก็สามารถถ้าหากว่าเราเผลอเข้าไปในบ้านได้คว้าของคว้าอะไรไปได้มากมาย เพราะอะไรพ่อเราเผลอเขาโมาเลยแอบดอดเข้ามาในบ้านยิ่งเผลอนานเท่าไหร่มันก็เข้าไปถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเข้าไปได้ลึกแต่ถ้าเกิดเราไม่เผลอเราเพียงแค่มันโผล่ข้ามมันธรณีประตูเข้ามาหรือว่าเดินผ่านรั้วประตูรั้ว เราก็เห็นมันหันหลังตะกอนหันหลังให้มันพอเราหันหน้ามาเจอมันศบตามันมันก็หนีไปไอ้ความขโมยเนี่ยหัวขโมยเนี่ยก็คือความคิดที่มันแอบเข้ามารวมทั้งอารมณ์นี่นะเพราะว่าความคิดนี่มันที่แรกมันมาที่แรกความคิดมาก่อนตอนหลังก็จะพาอารมณ์ตามมาด้วยแต่พอเราเหลียวไป เจอมันถึงแม้ก่อนหน้านั้นเราจะกลังทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่กาลังทำครัวอยู่กาลังเย็บผ้าอยู่กาลังล้างจานอยู่หรือจัดห้องจัดบ้านอยู่พอขโมยมันเข้ามาเราก็หันหลังหันหน้าไปเจอมันพอมันรู้ว่าเราเห็นมันละมันก็รีบหนีไปทันทีนะ ในความคิดและอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะมันดอดเข้ามาในใจเราถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็ไปอารมณ์ก็หายไม่ต้องไปเอาไม้เอาปืนไปยิงไล่มันเพียงแค่รู้ทันเฉยๆลองสังเกตดูความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจที่มันแอบดอดเข้ามา ครอบงใจแล้วขับไล่ความรู้สึกตัวให้ออกไปคือเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลตุูว่าหลวงปู่ทาไมถึงตัดความโกรธให้ขาดความโกรธนี่มันตัวที่สร้างความทุกข์ใจมากคล้ายๆก็นักปฏิบัติก็อยากจะจัดการความโกรธแล้วก็หลายคนก็นึกถึงการตัดความโกรธให้ขาดหรือการกดข่มมัน พรูต่อว่าไม่มีใครตัดความโกรธแค่ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันรู้ทันมันก็หายไปมันหายไปเพราะอะไรเพราะมันคือขโมยที่แอปเข้ามาในใจเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันในความโกรธเพียงแค่รู้ทันมันหรือว่าไปจะเอมันนการเจริญสตินะคือการจะเอกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองเวลาสอนเด็กเรื่องการเจริญสติเนี่ยครูแล้วก็สอนวเนี่ย เขากสงายจะจเอกับมันการจะเอนี่มันบอกในตัวว่าเพียงแค่แค่จจเอกเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรเวลาเด็กเขาเล่นซ่อนหาเพียงแค่รู้ว่าเจอเพียงแค่เจอมันก็จบแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อแค่จะเอมันก็ไอความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์ที่มันแอบเข้ามวยเข้ามามันก็ มันก็ไปทันทีไม่ต้องไปกดขมไม่ต้องไปทำอะไรผักสายมันแล้วนะแค่จะเอ๋อก็พอหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทีย น, นก็ใช้คว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะไม่ต้องไปขับไล่สายส่งกดคมแลวขณะเดืยกันถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าพึงพอใจอารมณ์ใส่บวก หรือว่าคิดดีก็ไม่ใช่คล้อยตามมันเพลยกับมันแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะมันก็ไปเมื่อมันไปความรู้สึกโตกลับมาจิตมันจะลอยไปไหนเมื่อจิตมันลอยไปโน่นไปนี่นะมันก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวพอจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจิตมีอยู่กับเนื้อกับตัวได้งไงเพราะมีสติมีสติรู้ว่าใจกลาลังลอย เพียงแค่อาการรู้เท่านั้นแหละจิตมันก็กลับมากลับมาจากอดีตกลับมาจากอนาคตกลับมาจากอาการส่งออกนอกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอย่างที่มันไม่ได้ไปไหนนะแต่มันจมนะอย่างเช่นเนี่ยอาการห น, นาว น, นี่นก็จิตมันก็ปักตึงอยู่ความหนาวแล้วก็จมอยู่ในความรู้สึกทุกข์ทุกข์นะไม่ไ มันทุกที่แร่มก็ทุกกายนะตอนหลังเราพักก็ทุกใจพอทุกใจก็เกิดความขัดขุดขัดเคืองขึ้นมาเกิดปฏิฆาเราต้องมีสติที่ไวพอที่จะเห็นว่าเนี่ยเออมันมันมีความมันมีปฏิ้าเกิดขึ้นปฏิ้าน้อยๆเราต้องมี สติที่ไวพอหรือว่ามีความสังเกตที่ถี่ทั่วนละเอียดละออการภาวนาะหลายอย่างนี่มันไม่ได้ฝึกให้เรามีสตินะอาจจะฝึกให้เรามีเมตตาจจฝึกให้เรามีสมาธิแน่แต่ว่ามันไม่มีความละเอียดละอ่อนไวพอที่จะรู้ทันอนิวาณต่างๆหรือว่ากิเลส ท, ที่มันเข้ามาในจิตใจหรือ เ, เพราะตัวความทุกข์ หลายคนแยกไม่ออกนะว่าระหว่างที่ทุกกายนี่มีความทุกข์ใจซ้อนไปด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ไม่มองไม่เห็นแยกไม่ออกเลยก็พูดล้มลกว่าทุกทุกทุกทุกแต่ถามว่าทุกข์กายทุกข์ใจตอบไม่ได้นะหรือบางทีก็ตอบว่าทุกข์กายทุกข์กายล้วนๆถ้าทุกข์กายล้วนๆมันไม่บ่นหรอกว่าว่าทุกทุกทุกทุก ไอ้ที่บ่นว่าทุกๆทุกๆหรือปวดปวดปวดปวเนี่ยนะเพราะมันมีความทุกข์ใจซ้อนไปด้วยบางทีไม่ใช่ซ้อนแบบแบบซ้อนบางๆนะซ้อนแบบนั้นหนาเลยเรียกว่ากดทับลงมาเลยทุกกายแค่หนึ่งในสามทุกใจก็สองในสามไปแล้วแม้แต่เวลาที่เราทุกข์เพราะหนาวเนี่ยหลายวันไม่สังเกตนะว่ามันทุกเนี่ยทุกกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกใจอีกส่วนหนึ่ง ถ้าทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่เดีไ๋ไม่ใช่ทุกไม่ใช่เล็น้อยนี่พราะใจเพราะเราไม่มีความไวในการสังเกตในอากายของใจแม้กระทั่งความทุกข์ซึ่งเราไม่ชอบเราก็ยังเห็นแบบหยับหยาถ้าไม่เห็นถ้ายันไม่อ่อนนี่ก็ไม่ยามบอกว่าอันไหนทุกข์ใจอันไหนทุกข์กายนี่ก็มันก็จะดึงความสึกตัวกับมาดียา ให้ลองสังเกตสํารวจดูนะสํารวจอาการนานๆ น, นี่ถือว่าเป็นของดีให้เราไม่ได้สํารวจว่าให้ทุกกายทุกใจมันมันเป็นอย่างไรไอ้ที่คิดว่าเราทุกกา ย, ยาจริงมันทุกใจเข้ามาด้วยนะทุกใจก็ไม่ใช่ทุกใจใ น, น้อยๆนะมันเยอะอีเดียวจริงๆเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่รู้ทันว่าใจมันทุกพอมันเผลอไปแบกเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจพอใจมันรุ่มก็วาง มันก็เลยแต่ความทุกข์กายที่ที่ลดน้อยถอยลงให้เราเนะี่ยฉลาดนะฉลาดในการมองนะแยกแยะตอนที่แรกมันก็จะฉลาดในการแยกแยะเออนี่ทุกข์กายทุกข์ใจฉลาดในการที่จะบอกได้ว่านี่อารมณ์ไหนเวลขาขณะที่กำลังทุกข์ใจ ม, มันมีอารมณ์บางครั้งก็เพราะอารมณ์นะไม่ใช่มีความโกรธเพราะมันมีความเศร้า มีความอะไรเอาวอนมีความเบื่อมันไม่ใช่เพราะว่าทุกกายนะบางคนก็นั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่มันทุกข์เหลือเกินอันนั้นเรียกทุกข์ใจแนละ้วแต่ละคนตอบไม่ได้ว่าทุกข์ใจเพราะอะไรอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวตอนนั้นเดี๋ยวนีเป็นอย่างนี้นะคือไม่ไม่สามารถที่จะแยกแยะอารมณ์ได้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอารมณ์ไหนไม่ไม่ต้องบอกด้วยคําพูดก็ได้แต่บอกด้วยความรู้สึก คนที่ใช้ความคิดมากๆนใช้ความคิดมากๆแล้วก็ส่งจิตส่งนอกตลอดเวลานี่มันจะไม่รู้เลยนะอั น, นี้นักจิตวิทยาอเมริกันก่เขาบอกคนอเมริกันตำนดมากนี่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเางเี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรมันแยกไม่ออกแล้วรู้แต่ว่าทุกข์ก็แล้วกันแต่บอกไม่ได้ว่าเหงาเศร้าเบือ่อโกรธอะไรอาวรหรือว่ามันน้อยเนื้อต่าใจ มันรู้แต่ว่าเป็นทุกข์อ่ะเดี๋ยวนี้ความรึ้สึกมันสติมันดืดมันมันมันด้านขนาดนั้ น, เ, นเราต้องฝึกสติให้คมเนี่ยสมาธิแยกแยะได้เหมือนกับแม่เหมือนกับแม่ครัวที่เขาเพียงแค่ชิมนี่เขาก็รู้แล้วว่าในเครื่องปรุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางคนนี่ขนาดที่เรียกว่าแค่ดมแค่นั้นแหละ นะแม่ครัวที่สุดยอดบางคนแค่ดมก็รู้ว่าในในเครื่องในอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็ยังขาดอะไรอยู่บ้างนี่รู้ว่าจมูกหรือว่าลิ้นเขาดีมากแยกแยะได้ถ้าเราเอาความสามารถกันมาใช้กับสตินี่จะวิเศษมากเลยทีแรกก็แยกแยะแยกแยะได้ว่าโอ้นี่ทุกกายทุกใจหรืออารมณ์ใดต่อไปมันจะเห็นได้ลึกมากกว่า น, นั้น ต่อไปมันจะไปราะว่าช่วยทำให้เห็นโดยที่เข้าไม่ไปยึดเข้าไปติดเห็นแต่ไม่เป็นสติตะก่อนมันมันยังมันยังไม่ไม่ไวพอเห็นได้ปุ๊บเดียวก็เข้าไปเป็นแล้วเช่นเช่นเห็นเห็นความหนาวเนี่ยเห็นปุ๊บเดียวไปเป็นผู้หนาวแล้วอันนี้เราไม่ใช่รู้ซื่อๆนะมันรู้ แล้วมันก็เข้าไปยึดไอ้ตอนที่เข้าไปยึดนี่มันก็ไม่รู้แล้วนะมันเป็นไปซะละคเขาว่ารู้ซื่อๆก็เห็นนีายเข้าไปเป็นนี่มันก็อันเดียวกันหรือเป็นมองเป็นการมองคนละด้านเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญแต่ว่าเน้นคนละด้านแต่ถ้ารู้ซื้อๆเราก็เห็นไม่เข้าไปเป็นหรือถ้าเรารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นมันก็ทาให้รู้ซื่อๆได้ถึงตอนนั้นเนี่ยแม้ว่ามันมี มันมีความโกรธเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจแต่ว่ามันไม่ทาให้ทุกข์ละเพราะว่าไม่เข้าไปเป็นปฏิบัติธรรมแล้าไม่ไม่โกรธนะโกรธได้แต่ว่าอย่าเข้าไปเป็นมีความมีชามีความโลภเหมือนก็เกิดขึ้นได้ตามวิสัยปุถุชนนะแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นหรือแม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี่ท่านก็ ท่านก็รู้นะว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ทําอะไรจิตใจไม่ได้ก็มีคนถามหลวงปู่ดุลครั้งหนึ่งว่าหลวงปูม่มีมีโกรธไหมคนที่ถามนี่คงคนละคนคนแรกเนะแต่ถามเรื่องโกรธเหมือนกันมีโกรธไหมเพราะว่าเขาเขาก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านตอบดีตอบมีแต่ไม่เอานมีแต่ไม่เอา พอไม่เอามันก็ใจก็เป็นปกตินะสงบเย็นพวกเราก็สามารถจะฝึกอย่างนั้นได้นะที่แรกเราไม่เอาเพราะมีสตินะสติมันทําให้ช่วยทําให้รู้สึกตัวไม่ลืมตัวพอไม่ลืมตัวมันก็ไม่แบกความโกรธหรว่มันก็ไม่เอาความโกรธมีใครจะเอาความโกรธบ้างในภาะวะที่มีสติสัมปัญธนะทุกคนก็บอกไม่เอานั่นแหละแต่จะเอาอย่างอื่นนะ เอาเงินเอาทองเอาหรือเอาที่มันประณดีหน่อยเอาความสงบเอาความปิติเอาความเย็นใจแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงนะแม้แต่ความสงบก็ไม่เอานะความปิติก็ไม่เอาก็แค่รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองรู้ว่าม่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่เอาเพราะถ้าไปเอาเมื่อไหร่ก็เต็มใจทุกได้ ว่เมื่อเราไปยึดมันแล้วถึงเวลาที่มันจางคลายไปก็ทุกหลายคนที่เป็นนักที่นักปฏิบัติทําหลายคนเนี่ ย, ยปิตติมากเลยทําภาวนาแล้วดีเหลือเกินวันนี้เมื่อวานนี้ดีเหลือเกินมันสงบมากมันดิงเย็นแ้วคนที่คนที่พูดแบบนี้คิดแบบนี้เนี่ยพอวันรุกขึ้นมาปฏิบัตินี่จะหัวทิ่มบ่อเลย หรือว่าจะเครียดมากเลยเพราะว่าไอ้ความสงบมันหายไปแล้วความสงบแบบเมื่อวานหายไปแล้วความปิติความเย็นใจแบบเมื่อวานหายไปแล้วไอ้ที่มันหายไปก็เป็นธรรมดานะแต่สําหรับนักพนักปฏิบัติแบบนี้ไม่ไม่ไมธรรมดาแล้วพอไปยึดติดี่ยพยึดติดก็ทําไม่อยากได้อีกแล้วติดใจพอติดใจก็อยากได้อีกพอไม่ได้ก็ทุกข์เ่ยและเพราะความอยากได้ก็ทําให้ไปบังคับจิต พอังับจิตมันก็ยิ่งทำให้จิตไม่ปกติพอไม่ปกติมันจะมีความสงบเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แล้วจริงๆได้พ่าะอะเพราะยุดติเพราะคิดจะเอาคิดจะเอาเอาเอามีคนถามหลวงพอ่อหลวงพ่อเฟื่องโชติโกใช่มผมภาวนามาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลยเลยอันนี้ถามแทนใจหลายคนมากเลย ภาวนาหลายปีแล้วไม่ได้เลยเลยหลวงพเพื่องบอกว่าภาวนาเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาภาวนาเพื่อไม่เอานะผู้อีกอย่างหนึ่งภาวนาเพื่อไม่เอาเพราะนั้นไม่ใช่แต่ความโกรธนะไม่เอาอะไอ้ความปิติความยินดีก็ไม่เอาเหมือนกันที่ลรกไม่เอาด้วยสติตอนหลังไม่เอาเพราะมีปัญญาเห็นว่าไอ้พวกนี้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นไอ้พวกนี้ไม่จีรังเลยแล้วก็ เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อันนี้เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่น่าเอาเลยทั้งนั้นไม่ว่าโกรธหรือไม่ไม่ว่าโกรธ ห, หรือว่ายินดีลิงโลดปิติไม่ไม่แล้วก็ปฏิบัติให้มี <c oughs> ให้ให้สติเราจเจริญฉับไวละเอียดละออจนไม่เอานะแค่เห็นเฉ ย, เฉยแต่ไม่เอาไม่เป็น อันนี้แหละอย่างที่หลวงพ่อพเคลียร์ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายนันคืออันนี้แหละไม่เป็นอะไรกับไม่เอาอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายและใจทั้งนั้นพอไม่เอามก็ไม่เป็นเป็นเพราะเอาความกลัวแลยเป็นผู้โกรธนะพอไม่เอามก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่เป็นอะไรกับ ไ ม, ไม่ติดถือมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าบวกหรือลบ <c oughs> ที่เลาไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เพราะมีสติต่อไปสติก็ทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าสติมันช่วยทาให้เราดูทำให้เราเห็นเห็นความจริงของกายและใจพอเห็นความจริงของกายละใจมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่ากายและใจก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อันนี้ก็ไม่เอาแล้วพ่อแม่ไม่เอาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันไม่เห็นว่ามันดีตรงไหนอันนี้พ่อมีปัญญาทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นนะจากการความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหลวงพ่อองเห็นะพุ่ยดีบอกว่าถ้าตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวแล้วอย่างอื่นมันก็มันก็ดีไปเองทําอะไรขอยตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวขับรถก็ขับรถ ด, ด้วยความรู้สึกตัว กินข้าวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวตขับรถถ้าไม่ขับรถด้วยความรู้สึกตัวก็อาจจะตายได้หรือไม่ก็ทําให้คนอื่นตายถ้าไม่ใช่คนตายก็หมาตายขับรถไปชนทับหมาแม่จะทาบุญให้ทานก็ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวนะบางคนนี่จะไปจะไปกราบนะหลวงพ่อโสธรจะไปกราบ พระพุทธชนนินล่าไปกราบพระเคี่ยวแก้วว่าคนเยอะแยะคนเยอะแยะนพอพอเหงคคนมากๆนี่ก็เกิดความขัดเคืองใจขัดเคืองใจแล้วก็ใครมาแซงก็ไม่ชอบเพิ่มไปแซงก็อีกพอไปแซงเขาเขาว่าว่าเขาว่าก็ก็ด่าเขากลายเป็นทะเลาะกันเนียไปทําบุญแต่ว่าลงเอยด้วยการทะเลาะเบาแหวงกันนี่เพราะอะไรเพราะไม่รู้สึกตัว ต้องคนมันจะแน่นแค่ไหนคนจะแถวมันจะยาวแค่ไหนก็ท่านมีความสึกตัวและใจมันก็ปกติได้แต่แต่ถ้า ป, ปล่อยให้ปฏิฆะให้ความขุนเครืองความไม่พอใจเกิดขึ้นบอกความสึกตัวเลือนหายไปคราวี้ความกรัวเข้ามาเล่นงานเลยหรือไม่ก็ความมยึดตัวเข้ามาไปแสงคิวเขาหลายคนก็ทําบุญแต่ว่ากลับได้บาสนะ เพราะว่าไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสติฉนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเริ่มต้น ด, ด้วยความสึกตัวเริ่มต้นด้วยการมีสติมีสติคลองใจนะแม้แต่ไปทำบุญให้ทานใส่บาปก็ต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะถ้าไม่มีความสึกตัวแล้วบุญที่ทว่ากลายเป็นบาปไปได้นะจะให้ทานแต่ว่ากลายเป็นทะเลาะ ก, กันตีกันก็มีหรือว่า ให้ทานแทนที่จะเป็นการสละก็กลายเป็นการคิดแต่จะเอาจะเอาโน่นเอานี่ขอให้รวยขอให้มั่งมีนะคิดแต่จะเอาทั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นหรือไม่แต่การรักษาศีลเนี่ยศีลก็ถ้ามีความศึกโต่งก็ยกตนข่มท่านว่าฉันศีลมากกว่าก็กลายเป็นศีลปัตตาปรมาทแบบหนึ่งนะก็คือเป็นการ เป็นศีลที่แปดเปื้อนไปด้วยมานะตันหาทิฐนะิมันก็ไม่ใช่ศีลบริสุทธิ์นี่พ่อไม่มีความสึกตัวนะก็เลยเกิอดอาการยกตนข่มท่านปล่อยให้มานะมันฟูฟ่องหรือว่าขี่คอมันทำอะไรก็ตามไ ม, ม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนะต้องเริ่มตนด้วยความสึกตัวมันงดก็ทําให้เกิดความดีและไม่ทุกด้วยไม่ใช่ดีอย่างเดียว ดีแล้วทุ ก, ก็มันก็ไม่ถูกดีแล้วก็แล้วไม่ทุกข์ด้วยอย่างเรามาสวดมนต์ใจเราก็เป็นกุศลอากาศจะหนาวอะไรไงใจเราก็เป็นปกติไม่ใช่สวดไปก็ทุกไปสวดไปก็ทุกไปอันนี้เรียกว่าอันนี้สงจากการสวดก็เลยบกพร่องไปพอสวดไปทุกไปสวดไปบนไปมันหนาสวสวดไปก็วัววายตีโพธิภายปฏิฆาพยาบาทคล่องงำ มันก็ได้บุญน้อยแต่สวดไปนะกายมันจะเป็นยังไงแต่ใจสงบเย็นก็เปิดรับได้รับอนิสงส์ของการสวดเข้าไปเต็มๆนั่นแหละชาญยุคกับท่านนี้<ะ>